วันนี้เป็นวันศีลที่สำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกพร้อมกันพร้อมกันในวันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสูุ้พระธรรมที่พุทธคยา ที่โคนต้นโพจากนั้นพระองค์ก็ได้สวยวิมุตติสุขคือความสุขในการที่พระองค์ได้ตัดรู้พระธรรมอยู่หลายอาทิตย์อยู่หลายสั ป, ปดาห์อยู่ที่โคนต้นโพแล้วก็ต้นไซแล้วก็ต้นเกตจะสะพุดจรินห ล, ลายแห่งในบริเวณนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้น้อมพระไทยหรื่านึก ไปถึงว่าทำรรที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้นจะไปโปรดใครก่อนแต่ก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ได้ได้พิจารณาดูว่าทำที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดแล้วก็มานึกถึงมวลมนุษยชาติที่จะได้รับธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้นพระองค์ก็ท้อพระไทยอีกเหมือนกันว่าที่จะประกาศแนะนำสั่งสอน พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยแล้วเขาจะให้ความนับถือหรือเขาจะเชื่อฟังหรือเปล่าเพราะมันเป็นธรรมะที่ทวนกระแสเนี่ยทวนกระแสคืออะไรคือโลกทั้งโลกเขาบอกว่าโลกนี้หน้าอยู่โลกนี้สีวิไลโลกทุกอย่างมีแต่ความสุขมีเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ ร่างกายสังขารมีแต่ของเสร็จสวยงดงามแต่พระพุทธเจ้าท่านมองอีกว่าโลกทั้งโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกร่างกายสังขารเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดและแก่เจ็บตายอั น, นี้มันทวนกระแสอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไปสอนให้คณะศัทายญาติโยมพุทธบริษัทเนี่ยเขาจะเชื่อฟังเราหรือเปล่าถ้าเราประกาศไปแล้วถ้าไม่มีใครเชื่อฟัง ก็จะทําให้เราเปล่าประโยชน์เหนื่อยเปล่าฮะพระพุทธองค์ทอพระไทยจงจะเหนื่อยเปล่าถ้าประกาศไปแล้วบอกไปแล้วไม่มีใครเชื่อเนีแล้วจะประกาศไปทําไมเมื่อเราได้ตัดสินแล้วก็เป็นอันจบไปฮะอันนี้คือพระพุทธองค์ทอพระไทยหรือว่าเราจะประกาศดีหรือไม่ประกาศดีฮะอันนี้ก็พรมพรมได้กับอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าพรมมาเจโลกาทิปติสหัมปติ คือพรมก็คือผมมะวิหารคือพระเมตตารัตนาพระพุทธเจ้าพรมคือความเมตตาว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์เหมือนกันพระองค์พระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาจนได้ตัดสรระธรรมในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรุระธรรมพวกคณะมนุษย์ทางหลายผู้มีอุปนิสัย มีบารมีที่ได้สั่งสมมาแล้วก็มีมีอยู่มากถ้าว่าพระองค์ได้นำพระธรรมคำสอนไปประกาศเผยแพร่ให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้มีอุปนิสัยมีบุญวัดาสนาที่ได้บาเพ็ญมานั้นท่านเหล่านั้นก็คงจะได้สำเร็จจากนั้นพระองค์ก็รับอาราธนาพรมจากนั้นพระองค์ก็ได้ลําลึกลวนน้อมนึกเราจะโปรดใครก่อนท่านก็ น, นึกไปถึง ดาบททั้งสองพอนึกไปถึงดาบททั้งสองที่ท่านเคยศึกษาที่ท่านเคยอยู่ด้วยดาบททั้งสองนั้นก็ได้มรณะภาพลงไปแล้วท่านจึงน้อมนึกไปเราจะโปรดใครก่อนท่านจึงเบนความคิดไปถึงปัญจวคีทั้งห้าที่เป็นผู้มีอุปกระคุณปฏิบทบนทนิบัติท่านมาโดยตลอดแต่พอช่วงหลังที่ท่านเข้าใจผิดนะท่านเข้าใจผิดคล้ายกับว่า เห็นพระพุทธเจ้าเห็นจิตถถานี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากแต่ก่อนอดภักยาหารเอาจริงเอาจังพอต่อมาในท่านก็สวยภัคยาหารตามปกติปัญจวัคคีทั้ง5ก็เลยเห็นว่าการกระทําของจิตถถานี่ถอยหลังเสียแล้วจะตามไม่จริงพระพุทธเจ้าด้วยจิตถถานี่ท่านไม่ถอยหลังแต่ก่อนหน้านี้ท่านบําเพ็ญทางทรมานทางทางด้านทาง ร่างกายแต่บัดนี้ท่านจะหันเบนมาสนใจเรื่องภาวนาเรื่องใจดูแลเรื่องของใจแต่ก่อนหน้านี้ท่านสนใจเรื่องของกายการทรมานกายมากมายแต่ถึงจะทรมานกายอย่างไรใจของท่านก็ยังยังคลึกยังขนองยังไปในเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่คนนั้นพระ อ, องค์ยึง หันกลับมาดูใจที่นี่ เ, เพราะฉนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นการกลับมาของพระ อ, องค์ท่านก็ไม่ได้ถามกันฮงเพรามความนึกคิดเนี่ยมันยังไม่สําเร็จะจะไปถามทุ ก, ทกวีทุกวันทุกเรื่องทุกราว พ, พ, พ, พระพุทองค์ก็คงจะไม่ได้บอกให้กับปัญจวัคคีย์เพราะนั้นปัญจวัคคีย์เลยลวบรัตเหมาเอาทีเดียวว่า พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากแล้ว พวกเราควรจะหนีออกไปอยู่ตามลำพังของพวกเราปัญจวัคคีทั้ง5้าก็เลยหนีจากพระพุทธองค์ไปอยู่ที่ป่าอิชิปตนะมิกคทายวันแขวงพารานิสีก็ห่างไกลจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรุปพอสมควรจากนั้นพระองค์ก็เมื่อได้ตัดสรุปแล้วท่านก็นึกถึงชาดินสองท่านในมรณภาพไปแล้วท่านก็นึกถึงปัญจวัคคีทั้งห้าผู้มีอุปกรณคุณที่เข้าใจผิด ท่านก็เลยเดินทางมาด้วยพระ อ, องค์เองมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพอมาถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้ฟังมัธรรมเทศนาหลวงพ่อจะพูดแบบโปรดรัฐให้แก่คณะทายาทยมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เทศอนัตทธรรจรรจั ก, กปปวัตนสูตรคือสูตรแรกคือรรมจักคือจับแห่งธรรม หมุนไปสู่ความเจริญหมุนไปสู่ความพ้นทุกในวัฏสงสารพระธองค์ก็เทศให้ปัจจวัคคีทั้ง5้ฝั่งอันดับแรกพระอัญญาโกนธัญญะเข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บอกกล่าวได้เผยแผ่ด้วยว่าได้แนะนําปัจจวัคคีทั้งหอัญญาโก น, นยะรู้ธรรมเป็นท่านแรกคํารู้ธรรมในจุดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแลว้วก็ดับเกิดขึ้นแลว้วก็ตายสังข า, งารอยากราลังนี้เนี่ยอย่างพวกยากราลังนี้ปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องรอวันสลายต้องรอวันพังอีกสักวันหนึ่งคนเราเกิดมาแล้วก็รอวันตายไม่มีใครที่จะอยู่ยั่งยืนถาวรได้เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วต้องตาย พระัญญาโกณทายะเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างาในโลกเนี่ยมองไปเห็นทุกอย่างในโลกนี่เป็นอนิจจังทั้งหมดพระัญญาโกณทายะรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้จงเหตุในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ท่านได้สาเร็จพระโสดาบั น, เ ป, นเป็นเป็นท่านแรกในเมื่อท่านได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วท่านก็แสดงความจํานงเออธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้นี่เป็นของจริง จากนั้นท่านก็แสดงความจำนงที่จะบวชอยากจะบวชเป็นพระสงฆ์พระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าพระอัญญาโกณทัญยะได้บรรลุธรรมได้พระโสดาบันพระพุทองค์ก็ภาคภูมิภาคภูมิใจภาคภูมิพระไทยเป็นอย่างมากว่าที่เราได้ตัดรู้เราได้นำพระธรรมมาบอกกล่าวนี่เป็นผลสำเร็จขึ้นมาแล้วคืออัญญาโกณทันญะได้ รู้ธรรมเป็นท่านแรกคือพระสโสดาบันพระพุทธองค์กล่าวเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าโกนทันยะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนออัญญาสิวัตโพคนทันโย fluor, ัญญาสิวัตโพคนทันโย uve. โกทัญยรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนาะเพราะนั้นขอให้พระพุทธเจ้าจึงถือว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้า อัญญาโกณทัญญะก็ได้บวชในพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาคือวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้แล้วกัพระสงฆ์คือพระอัญญาโกณทัญญะได้บวชในพระพุทธศาสนาแปลว่าครบพระไตรสารณคมในวันนี้ จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาติยมทุกท่านที่มาถึงวันนี้เมื่อไหวพระสมาทานเมื่อไหวพระจบลงแล้วก็สมาทานศีลให้ถือว่าศีลวันนี้เป็นศีลที่ควรจะรักษาเพราะถือว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยก็มีศีลห้าวันนี้ถ้ามากกว่านั้นผู้มีภาระน้อยก็ควรจะรักษาศีลอุโบสถ นะรักษาศีลแปพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะศีล8หรือศีลอุโบสถข้อหนึ่งคือไม่ฆ่าไม่ฆ่าการไม่ฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตเขาชีวิตเราที่หลวงพ่อเคยพูดอธทินาทานของเขาของเราข้อที่สามกาเมคือศีล5้าเนี่ยสามีภรรยาลูกหลานของใครของเราเขาก็รักห่วงแหน แตถ่ถ้าว่าใครรักษาอุโบโสถก็รักษาเป็นอภรร ม, มจริยาเหมือนกับพระเนี่ยเหมือนทําตนเหมือนเป็นพรมหรือเป็นพระนะรักษาศินแปดจากนั้นก็ไม่กล่าวไม่มุสาแก่ใครแล้วก็ไม่ดื่มโุราของเบินเมาคัญชายาฟิ่นเฮโลอินงดทั้งหมดอันนี้ก็คือศินห้าแหละจากนั้นจะศิลอุโบโสถก็คือเราไม่ทานอาหารเวในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไป แล้วก็ไม่ร้องรําทําเพลงไม่ฟังไม่ร้องรําทําเพลงเองและไม่ฟังร้องรําทําเพลงไม่ฟังวิทยุที่ร้องรําทําเพลงจากนั้นก็ไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้จากนั้นก็ไม่นอนที่นอนที่ยัดนุ่นแลสําลีที่นอนเราจะไม่แสวงหาความสุขในการนอนในการสัมผัสในการเป็นอยู่ นี่นแหคือเรารักษาศินแปแล้วคือศิลห้าเนี่ยนะเป็นเครื่องคุ้มครองการอยู่ด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันดูกันด้วยกฎด้วยรละเบียบด้วยความสํารวมระวังแต่ศิล6กสินเจ็ดสินแปดสิ น, 8, สนทั้ง8ข้อนั้นเป็นสินสินขัดเกลากัดเกลาอะไรคือกัดเกลวกวิเลสอย่าไปติดในโลกมากจนเกินไปอย่าไปติดในรสอาหารเกินไปอย่าไปติดในเสียงร้องรําทําเพลงเกินไป อย่าไปจิตในของหอมเกินไปอย่าไปจิตติดในการสัมผัสในการอยู่การนอนเกินไปอีกสักวั aufen, นหนึ่งพ ว, วกเราจะจะเป็นนอนในที่แคบแคบแคบแคบว่าหนึ่งศอกกับวาขวักหวท่านเองที่เราจะไปนอนเพราะนั้นเราจะไปหาแสวงหาความสุขในการอยู่การฟังการนอนเกินไปเพราะพระุทธเจ้าท่านสอนจะยดอย่าลืมตัวเพราะนั้น คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขอให้พวกเราตั้งใจสมาทานศีลให้เป็นศีล เ, เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนะวันนี้นะต่อเ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีลทีนี้นะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแนะนํา บางสิ่งบางอย่างที่พวกเราควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันเพราะวัดวาศาสนาวัดป่านาคำน้อยของเราไม่ใช่ของหลวงพ่อและไม่ใช่ของคณะสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่คณะสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ของคณะศรัทธาญาติโยมผู้ใดผู้หนึ่งเป็นวัดสาธารณะแก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านเป็นเจ้าของของวัดเป็นเจ้าของขอ ง, ของพระศาสนาเพราะนั้น หลวงพ่อในนามคณะสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าจะได้แนะนำกิจกรรมหรือว่าการเกี่ยวข้องกันพวกเราจะทำอะไรบ้างอันดับแรกพระสงฆ์ที่จำพรรษาปีนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คง35รูปและก็มีนาคอีกคนก็คงจะเป็น36 พระคงจะจำพรรษาทั้งหมด36ครูปถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะวันพุ่งนี้แหละเป็นวันอธิษฐานพรรษาเป็นวันเข้าพรรษาคือวันวันที่2ี่กรกฎาคมห้าสามเนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาคือวันพรุ่งนี้แล้วก็คณะทายาิโยมที่จะมาทำบุญในพรรษาตรวงพ่อคงจะบินทบาทประมาณสัก6 4โมงสี่ห้า คณะจัตวาญาติโยมมาถึงวัดก่อประมาณสักเจ็ดโมงตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อจะให้พระสงฆ์รับบิณฑบาตหน้าวัดแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันเป็นวันริเริ่มหรือว่าเป็นวันเตรียมพร้อมยังไม่ยังไม่จัดว่ายังถือยังไม่ถือทุดงเพียงเท่ากับเป็นวันเตรียมพร้อมว่าวันพรุ่งนี้ใส่บาตรหน้าวัดตักบาตรหน้าวัดพระสงฆ์ทั้งหมด จะบินทบาทหน้าวัดเพราะฉนั้นคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมที่จะมาทมําบุญวัดป่านาคําน้อยก็คงจะมาถึงประมาณสัก7จ็ดโมงก็คงจะพอดีออพระสงฆ์จะมาพร้อมกันทั้ง35รูปแต่บางวันก็อาจจะมีพระสงฆ์อดอดอาหารแต่วันนี้ก็อดอาหารไป5รูปนะไม่มาฉันแต่วันบางวันก็คงจะมากบางน้อยบ้าง แต่บางคนก็เอ๊ะทำไมหลวงพ่อว่าพระ3536รูปแต่ทําไมพอมาเห็นวันนี้พระไม่ถึงฮะอันนี้ก็อย่าได้แปลกใจเพราะวัดพระในวัดของเราท่านมาบําเพ็ญทางด้านจิตใจท่าช่วงไหนท่านจะอดอาหารอย่างไรท่านจะบําเพ็ญทางจิตตภาวนาของท่านอย่างไรหลวงทอหลวงพ่อถือให้เป็นอิสระในการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อแนะนํา หรือว่าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแล้วสุดแท้แต่ผู้ที่ามาอยู่จะลงมือปฏิบัติอย่างไรให้รู้จักประมาณตนถ้าฉันมากเป็นยังไงถ้าฉันน้อยเป็นยังไงถ้าอดอาหารแล้วเป็นยังไงให้เพาะพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเมื่อการศึกษาเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ในการเป็นอยู่ถ้าอดอาหารเออจิตใจของเราสบายภาวนามีสติตีเราควรจะอด แต่ถ้าว่าอดไปแล้ว เ, เรามันคิดปุงฟุ้งซ่านมันงุ่นง่านไปหมดเพราะความหิวอันนี้เราก็ถอยมาทดลองดูต่อไปเราทดลองอีกสักครั้งสองสามครั้งก็ยังเป็นลักษณะเก่าก็แสดงว่ามันไม่ถูกกับจริตของเราเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นควรอด อ, อ, อดนอนรู้ซิเป็นยังไงลักษณะอย่างนั้นแะเพราะนั้นพวกเราเข้ามาทาบุญอย่าได้แปลกใจว่า พระสงฆ์ที่ออกบินทบาตนั้นบางทีก็มากบางทีก็น้อยแต่ถึงยังไงก็พระทั้งหมด36รูปที่จะจำพรรษาปี2553นเนี่ยแล้วก็จะใส่บาตรหน้าวัดทุกวันเพราะนั้นขอบอกประกาศให้แก่คณะสัทยาตญญิโยมรับทราบร่วมกันแต่ทำไมวัดอื่นทำไมท่านจึงรับอาหารในวัด อันนี้เราถือตามแนวแถวที่องค์หลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อเคยอยู่กับท่านนะหลวงพ่อเคยอยู่กับท่านท่านพาถือทุรงในข้อหนึ่งที่ว่าไม่รับอาหารตามส่งมาภายหลังในเตระสะทุรง13ข้อนั้นคือฉันในบาทเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่โคลนต้นไม้เป็นวัดอยู่ในที่แจ้งเป็นวัด สรุปแล้วก็คือทุรง13บข้อเนี่ยเตรสะทุรง13ถ้าเปรียบเทียบกับสินของคณะัตยายาจมวยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคือตั้งแต่สิน6กสินเจถึงสิน8น่คือสินของญาติโยมเน่คือเป็นสินสินขัดเกลากิเลสอันนี้ก็เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์ขัดเกลาัดเกลาวความเป็นอยู่คือความโลภ โลเลในการเป็นอยู่ฉันมือเดียวถ้าพระฉันตลอดทั้งวันเนี่ยจะยุ่งขนาดไหนถ้าฉันไปเรื่อยนั่งที่ไหนก็ฉันไปเรื่อยจุบจับจั บ, จบไปเรื่อยมันจะน่าดูอย่างไรเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยหรือบัญญัติทุดงแต่ฉันในที่อื่นก็ไม่ผิดวินัยนะแต่ว่าผิดทุดงเพราะนั้นท่านจึงว่ารักษาทุดงทุดงขวัตเตระสะทุดงทุดง13บสข้อในข้อหนึ่งนั้น ไม่รับอาหารที่ตามสงมาภายหลังเพราะฉะนั้นคณะจัตธาญาติโยมที่จะมาทําบุญก็ให้มาใส่เป็นห่อหอหรือว่าเป็นที่จะใส่องค์ไหนก็เตรียมอาหารมาเป็นชุดชุ ด, ชดทั้งเราจะใจกี่ชุดไม่ใช่ว่าเราจะใส่ครบทั้งชุดหรือว่าเราจะใส่องค์ไหนกระสุดแท้แต่จัตธาญาติโยมท่านคงจะ คงจะมีคงจะมีฉันแต่ถึงยังไงยังไงการใส่บาทจะไปเพ่งมองแต่แถวหัวหน้าทีเดียวก็ไม่ได้นะต้องมองมองดูทั้งแถวหลังสุดท้ายด้วยนะการใส่บาทของพวกเรานะอันนี้ก็คือกฎระเบียบในการเข้าพรรษาแล้วก็พร้อมกันในพรรษานี้ที่จะถึงนี้พระสงฆ์ก็เข้าพรรษา ถ้าว่าเข้าพรรษาคํานี้พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดทรู้ใหม่พระสงฆ์ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะคนอินเดียประเทศอินเดียคนมากทีนี้พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วไปเที่ยวทุดงหรือว่าเดินทางไปในสถานที่ต่างๆถนนสมัยตะก่อนคงจะไม่มีถนนลาดยางอย่างทุกวันนี้ไปก็คงจะผ่านท้องไร่ท้องนา ผ่านไร่ผ่านสวนของเขาไปผ่านพุชธพืชที่เขาปลูกตอนนี้พระสงไปเป็นพันเนี่ยหรือเป็นสี่ห้าร้อยเนี่ยเดินไปตามแนวแถวตามหลังกันไปเนี่ ย, ยก็ไปเหยียบคันนาเขาไปเหยียบพืชไร่ของเขาก็ทําให้พืชไร่ของเขาเสียหายชาวบ้านเขาก็โวยวายทีนีเน่เขาจะพูดมากก็ไม่ได้เขากลัวบาปเหมือนกัน แตนแถวเขาก็บ่นให้พระสงฆ์บางรูปฟังพระสงฆ์ก็ได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยๆจึงได้มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเออใช่พอเป็นเวลาน้ำเต็มทุ่งนี่พระเดินพระสงฆ์เดินผ่านพ้องนาเข้าไปนี่คนต้องพระทั้งพันพระทั้งห้าร้อไปเหยียบเนอคันนาของเขาเนี่ยแหลกเหลวไปหมดทนนี้เอีอ่เขาก็พยายาม มาทําคณาขึ้นมาใหม่ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะเป็นหน้าฝน เ, เขาก็เลยตํำหนิว่าพระสงฆ์เนี่ยทำไมไม่อยู่เป็นที่เป็นทางทําไมจึงไปทั้งแรงทั้งฝนนิน่คหรือศาสนาอื่นเขาก็ยังหน้าฝนเขาก็ยังไม่ออกทุดงเขาก็ยังอยู่ประจําที่สัตว์สาลาเสียงพวกนกพวกสัตว์ทั้งหลายเขาก็ยังมีรวงมีรังยังมีโพรงไม้อาศัยแต่พระสงฆ์ศักด สมณะสากยาบุตรเที่ยววุ่นวายไปหมดทั้งแรงทั้งฝนเขาก็ะตมหนิขึ้นมาพระพุทธองค์ทราบข่าวคือมีเหตุเช่ก่อนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลถึงพระพุทธองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์พอเรียกประชุมสงฆ์แล้วพระพุทธองค์ก็บัญญัติวินัยเออตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อถึงเดือน8เพลนขอให้ให้พระสงฆ์ทั้งหมดจําพรรษาถึงสมเดือนตั้งแต่ เดือน8ปดเพนจนถึงเดือน11เอ็ดนจึงออกพรรษาแต่ฤดูฝน ม, มีถึงเดือน12บสอเพนเดือนสุดท้ายนะให้เป็นการโแสวงหาผ้าจีวรซะเพราะฉนั้นเราจึงมีการทอดผ้ากระถิ่นทอดผ้าป่าในช่วงออกพรรษาหนึ่งเดือนอันนี้ก็คือถือเป็นประเพณีหรือว่าเป็นพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องจําพรรษาในหน้าฝนนี่ยความเป็นมาคณะรชาติญาติโยม ให้รับทราบแต่คณะนี่เมื่อพระสงฆ์จำพรรษาทีนี่คณะสัต ธ, ธาญาติโยมในพระก็อยู่เป็นถิ่นเป็นฐานคณะสัต ธ, ธาญาติโยมก็เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะจะได้มารักษาศีล ม, มาปฏิบัติธรรมแต่ก่อนพระสงฆ์ก็ไปในสถานที่ต่างๆเพอพระสงฆ์อยู่เป็นกลุ่มคณะสัต ธ, ธาญาติโยมก็ได้รวมกันทีนี้มาเพื่อถวายพัาหารบังเพื่อมารักษาศีลบั่ง เพื่อมาศึกษาธรรมะบ้างเพื่อปฏิบัติธรรมบ้างในยุคสมัยนั้นเพราะนั้นในยุคสมัยนี้หลวงพ่อก็จะจะกล่าวเตือนศรัทธาญาติโยมเช่นเดียวกันเมื่อพระจาพรรษาแล้วพวกเราในพรรษานี้พวกเรานั่งอยู่ศาลาแห่งนี้ละ่ะหรือว่าท่านผู้ใดก็ตามได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเนี่ยพวกเราควรจะทำตนอย่างไรในพรรษาที่จะถึงเนี่ยถ้าพวกเราปล่อยปะละเลย วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพัรษาปี52ก็ผ่านไปพันปี53ก็ผ่านไปปี54ก็ผ่านไปแล้วพวกเราก็ผ่านไปแต่ไม่ใช่ผ่านไปแต่พัรษ า, าเท่านั้นอายุของเราก็สั้นก็ไปเรื่อยๆแก่เข้าไปเรื่อยๆผมไม่เคยขาวก็ขาว ข, าขึ้นมาฟันไม่เคยหลุดก็หลุดตาไม่เคยฝ่าออฟังกับฝ้าออฟางังหูไม่เคยตึงก็ตึงขึ้นไปเรื่อยทีนี้มันไม่ใช่ แต่พรรษาที่มันผ่านไปเท่านั้นนะชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ตรวจตราดูว่าในพรรษานี้53นี้เราจะยึดอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพวกเราเราจะสร้างสั่งสมคุณงามความดีอะไรเข้าสู่จิตใจของเราในพรรษานี้ถ้าว่าอยู่นอกพรรษาเราก็ ไม่ให้าไขว่ปอยปาละเลยไม่รู้จะจับยังไงแต่ในพรรษาในสามเดือนนี่เราจะเอาอยัางไงเฮ้เราจะสังสมคุณงามความดีอย่างไรในสมเดือนนี้เพราะว่าเราเหมือนกับขันสนะใส่หลักสามเดือนเลยว่างั้นเถอะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราตั้งใจว่าสเดือนนในข้าพเจ้าจะทํำยังไงอันดับแรกพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา แต่พวกเราในปล่อยปะละเลยมานาน เ, เวลาจะนอนเราก็ไม่เคยกราบไม่เคยไหว้พระก็มีบางท่านนะแต่บางท่านบางคนก็เออเอาใส่ใจสวดพระกันสวดอะไรต่อม่อะไรมากมายสวดพระประมิมีสามสิบทัศก็มีแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจที่มานั่งอยู่หลวงพ่อหลว ง, งพ่อมั่นใจอย่างนั้นแต่ทั้งที่เราเป็นชาวพุทธถ้าเขาถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไรเขาตอบทันทีเลยพุทธ แต่ว่าพุทธของเราเนี่ไม่ได้เคยกราบพระไม่เคยไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนไม่เคยทําวัดเช้าทําวัดเย็นเลยไม่ไม่เคยกล่าวพอมาถึงวัดเท่านั้นเองจึงกราบพระพประธานปลกุกปลุกกราบสมครั้งไงเพียงแต่กราบสาครั้งไม่ได้นึกถึงพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกต่างหากพอให้กราบสมครั้งก็กราบสามครั้งท่านเองแต่ตามไม่จริงเรากราบสามครั้งนั้นมีความหมายกราบครั้งที่หนึ่งระลึกถึงพระพุธทธเจ้า ที่เป็นต้นศาตราเต็มเป็นต้นพระพุทธศาสนากราบครั้งที่สองระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามีประโยชน์จริงที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้กราบพระครั้งที่สาคือกราบพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นั่นที่ท่านได้นําพระธรรมคําสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเรากราบสามครั้งมีความหมายคือกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ ไม่ใช่กราบสามครั้งเฉยๆนะจากนั้นก่อนที่เราจะหลับนอนหลวงพ่ออยากจะแนะนำในพรรษานี้พวกเราควรจะทำวัดไหว้พระก่อนถึงจะไม่ได้อะไรพวกเราก็คงจะได้เรียนอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโทธพะควาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็พุทธัง สระนางคัดฉามิธำมังสังขังอย่างพวกเราสมาทานศีลเมื่อกี้เนี่ยดุติตาติผู้ทางธรรมังสังขังก่อนที่เราจะกล่าวตุติตาติเราก็ว่านามโมซะก่อนนะนโมตัสสะพระคขาว่าตัวอรหันตโอสัมมาสัมพุทธะความแปลและความหมายข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เรากล่าวนโมถึงสามครั้งคือนอบน้อมพระพุทธเจ้า ว, วารมครูของพวกเราที่ท่านประกาศเผยแพร่แนะนำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนออกมาเนี่เราขอรบนับถือพระพุทธเจา้าจากนั้นก็พุทธทางธรรมังยึดพระพธระรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจจากนั้นเมื่อเราไหว้พระได้เพียงแค่นี้หลวงพ่อก็ว่าถือว่าพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนได้แล้ว เพราะว่าเราได้สนใจไหวพระก่อนหลับก่อนนอนตื่นนอนตอนเช้าเราก็ทำวัดจากนั้นก็แผ่เมตตาเพิ่มเข้าอีกทีนี้หลวงพ่ออยากจะแนะนำแผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี้เราเได้ท่องอะหังสุกิโตโหมิขอเข้าไปเจ้าจงเป็นสุกนิตุโคมอิอเวโรมิจนถึงสัพเพสตาสุกิตาหุนตุขอสัพสัพสัทั้งหลายจงเป็นสุข อันนี้ก็คือการแผ่เมตตาแต่ตามไม่จริงถ้าเราแผ่เมตตาเป็นภาษาใจและเป็นภาษาคําพูดของเราในใจหลวงพ่อว่าอยากจะให้พูดเป็นภาษาใจของเราเออจะได้ความหมายอันลึกซึ้งกว่าเข้าพเจ้านึกในใจนะพอไหว้พระจบลงแล้วออออนับโมตสระแล้วก็พูดทางธรรมัาางสังขังจบลงแล้วนึกในใจว่าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วไรโลกกระธาตุไตรแปลวา่าสมโลกกธาตุคือว่าไม่เลือกหน้าไม่ว่าสัตว์สาลาสิงห์แมลงตัวเล็กตัวใหญ่เทวปุตรเ ท, ทวดาอินพรมล้วนแล้วแต่มีวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์ในโลกก็คือมีวิญญาณเราจะขอแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตต์ทางหลายที่มีมวิญญาณทั่วไตรโลกกธาตุให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาและ ข, ขอใหอ้ทุกวิญญาณอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้มีความสุขทั่วนหน้ากันเทินนะอันนี้ก็คือเป็นภาษาใจของเราให้แผ่เมตตาเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่มีเมตตาไปณสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่มีพิษมีภยัยเวรภัยที่จะ ตามล้างตามผ่านแล้วจะเกิดขึ้นมาใหม่เออมันจะเกาะไม่ติดเพราะเรามีเมตตาเว้นเสียแต่วิบากกรรมอันเก่าวิบากกรรมอันเก่านั้นเราไม่สามารถที่จะหนีวิบากกรรมของเราได้เพราะเราได้ไดทําไว้ในอดีตเราเคยฆ่าเคยทุบเคยตีเขาเลยเบียดเบียนเขามาก่อนถ้าไ้มาถึงภพนี้ชาตินี้เราจะไปนหนีวิบากกรรมตัวนั้นไม่ได้อย่างหลวงพ่อเคยยกอย่างพระโมคคลายานี่ท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่าน แต่พอมาถึงพบนี้ชาตินี้พระโมคคัลลาถูกฆ่าเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมของท่านในอดีตชาตินี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเรายังมีวิบากกรรมในอดีตชาติพวกเราก็ต้องได้ใช้นี่กรรมแต่เอาเถอะชาตินี้พบนี้ชาตินี้เราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะยกอโหสิให้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครนะในใจของเรา เพราะว่าเราได้ศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวรถ้ามีการจองเวรจองร้างจองผ่านกันอยู่เวรจะไม่ระงับแต่บัดนี้เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่จองกรรมจองเวรกับวิญญาณทั้งหมดทั่วใจโลกธาตุเราพร้อมที่จะให้อโหสิแกทุกคนแกทุกวิญญาณ คือในใจของเราต้องคิดอย่างนั้นเมื่อเรามีจิตใจอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเราไปนสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คืออยากจะแนะนำํำคณะศรัทธาญาติโยมให้ไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็ทําใจอย่างนี้จากนั้นถ้ามากกว่านั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลานะพวกเราควรจะนั่งสมาธิบ้างในพรรษานี้นะอยากจะแนะนําเรื่องนั่งสมาธินั่งภาวนานอย่างเรามองเห็นพระประธานเดี๋ยวนี้นะขาขวาทับขาซ้าย เรานั่งที่ไหนก็ได้ที่นอนของเราก็ได้ที่ห้องพระก็ได้ที่โซฟาก็ได้ที่เราปวดขาเรานั่งโซฟาก็ได้นั่งย่อนขาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะเออแต่เรานั่งเป็นกิจจะลักษณะอยู่ในความสงบโทรทัศน์วิทยุปิดไว้ก่อนโทรศัพท์ที่มันจะรบกวนเราเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ปิดไว้ก่อนก็ได้ช่วงนั้น 20-30 นาทีถ้ามันจะรวยก็คงจะรวยมาก่อนหน้านี้แล้วงั้นถ้ามันจะจนก็คงจะจนมาก่อนแล้ว เพราะนั้นเราปิดสักสามสินาทีไม่คงจะไม่กระทบกระเทือนอะไรนะจากนั้นเรานั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วออพอนั่งขาขวาทับขาซ้ายแล้วเราปรนมมือขึ้นระหว่างอกนะปะนมมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าสมาธิธรรมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเพราฉะนั้นเราจึงไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอน พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเราก็เอามือลงค่ะมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือเราจะว่าพุทโธพุทโธพุทโธในใจของเราตลอดเลยให้ถียิบเลยก็ได้แต่หลวงพ่อเคยแนะนําว่า ให้เรานับทดลองดูนะถ้าว่าจิตใจของเรามันไม่อยู่กับตัวให้เรานับเนี่ยภาวนานับ1นึ่หายใจเข้านับ1 ห, หายใจออกนับ2นับถึง100ถ้ามันไม่เผลอนะแปลว่าเราใช้ได้คําว่าเผลอนั่นคืออะไรคือหายใจเข้ามันเป็นเลขคี่หายใจออกมันเป็นเลขคู่นะถ้ามันจะเผลอหายใจเข้าหายใจเข้าแต่ก่อนมันเป็นเลขคี่แต่บัดนี้มันเผลอเข้าไปหายใจเข้าเป็น22หายไปหายใจออกเป็น23า ไม่ว่าใช้ไม่ได้ละเราเผลอละเอาตั้งต้นใหม่นี่แหละเราจะเช็ควาสติของเราดีขนาดไหนเนี่ยเราจะรู้ได้กับวิธีการเอาสติจับเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งอันนี้คือการฝึก เ, เรื่องจิตภาวนาชีวิตประจําวันของพวกเราถ้าเราฝึกได้อย่างนี้มีสติสัมปชัญญะดีแล้วเมื่ออายุของเราสูงขึ้นมาแก่แก่เท่าชรลาขึ้นมาเราจะ มีสติสัมปันปัจัญญาสมบูรณ์ไม่ว้าเหวอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึมเออจะไม่โรคเศร้าซึมจะไม่มาเยือนพวกเราเพราะเราฝึกหัดเรื่องสติและฝึกหัดเรื่องปล่อยวางเออศึกษาเรื่องธรรมะว่าร่างกายสังขารนี่ถึงยังไงก็ต้องมีจุดจบแน่เราจะอยู่โช่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นคงไม่มีคงไม่ใช่อย่างนั้นเราทําใจไว้อย่างนั้นในจิตใ น, ในใจของเรานี่แหละอันนี้ก็คือการฝึกหัดเรื่องจิตภาวนา ชีวิตประจําวันแต่ละวันในพรรษานี้หลวงพ่ออยากจะแนะนําว่าในพรรษานี้ควรจะทิศควรจะทิศอย่างทิดอย่า ง, างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างนี้นะจากนั้นมากกว่านั้นเราก็งดในการดื่มสุราถ้าเป็นไปได้นะงดงดดื่มสุราถ้าเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็งดสูบบุหรี่เพราะว่าการสูบบุหรี่มันก็ไม่ผิดเพราะวินัยอะไรแต่ว่ามันเป็นอันต ร, รายต่อสุขภาพในยุคสมัยนี้เขาไม่ยอมรับ ถ้าไปหาหมดหมอเขาบอกเป็นอันต ร, รายเพราะฉะนั้นเราเออควรจะงดออได้ก็ดีเพราะอยู่คนที่อยู่ใกล้ชิดเขาบอกว่าการถูกกลิ่นบุหรี่ผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยทำให้กลายเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายคนราะนั้นเราจะไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนในพรรษาเนี่ยครพเจ้าจะโยนทิ้งเลยเออบุหรี่งดอันนี้หลอมข้อว่าก็คงจะเป็นผลดีสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านต่อครอบครัวของพวกเรา จากนั้นพวกเราควรจะทุกวันพระทุกวันอาทิตย์พวกเราควรจะไปเยี่ยมพ่อกราบพ่อกราบแม่ของเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าท่านผู้ใดเป็นผู้สูงอายุควรจะมีการทำบุญตักบาตรอย่างนี้พระผ่านหน้าบ้านพวกเราควรจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดอย่างนี้หรือเราจะใส่บาตรทุกวันอาทิตย์หรือเราจะใส่บาตรทุกวันพระ เน่ยคือการทำบุญสิ่งที่เราทำบุญก็จําเป็นสําคัญเหมือนกันนะถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทำบุญเกิดมาพบหน้าชาติหน้าบุญกุศลจะไม่ช่วยเราแต่ว่าพวกเราทำบุญทำทานอันในสงสิ์ศีลทานอันในสงทานเนี่ยนะจะเกื้อกูลหนุนเราไปเกิดในภพภูมิใดพวกเราจะมีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายก็จเจริญงอกเงยเพราะเพราะเหตุไรเพราะเรา ใจของเรามีพลังมีพลังคืออันนี้สงทานของเราเนี่ยเกื้อกูลห น, นุนถ้าคนไม่มีไม่ทําบุญทําทานเลยเนี่ย เ, เรายากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องทําุญททานเนี่ยหลวงพ่อไม่ไม่มองข้ามไม่ให้มองข้ามให้พวกเราทําบุญเอาเถอะเราตื่นสายเราทํำยังไงหลวงพ่อก็เคยแนะนําอย่างพวกเราอยากจะทําบุญกับหลวงตา เ, เอาเราจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดใส่บาตรหลวงตามหาบวชนะเท่าทำยังไง เราก็หยอดเงินใส่กระปุกเออ ว, วันนี้เราจะใส่หลวงตานมกล่องหนึ่งกล้วยหอมใบหนึ่งกล้วยเตี๋ยวชามหนึ่งอย่างนีเ้เราก็รู้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่เราก็หยอดใส่กระปุกกระปุกเอาไว้หรือเราจะใส่ทุกวันพระก็ได้หรือจะใส่ทุกวันอาทิตย์ก็ได้ไม่ใส่ทุกวันนะเราจะใส่ทุกวันพระและทุกวันอาทิตย์ใส่หยอดกระปุกลงไปวันที่ใส่บาตรหลวงปู่วัดโพวันนี้หลวงใส่บาตรหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นนะ วันนี้ใส่บาดสมเด็จพระสังฆราชหรือว่าวันนี้ใส่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อย่างที่เรารักเคารพนับถือนี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลพอเสร็จแล้วออกพรรษาแล้วเมื่อเรามีโอกาส เ, ออเราก็ะทบกระปุกนะไปถวายเจตุ ป, ปัจจัยท่านเอออันนี้เป็นออปัจจัยใส่บาดในพรรษานีออ้ถ้าพวกเราขนขวายในการสร้างบุญสร้างกุศลมีช่องทางมีเยอะแยะพิธีการสร้างบุญ แต่เว้นเสียแต่เราไม่ได้ใส่ใจถ้าเราไม่ใส่ใจก็อย่างว่านะวันคืนเดือนปีพรรษาผ่านไปผ่านไปมันก็ผ่านไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายผ่านมานะ่ะแต่พรรษานี้หลวงพ่ออยากจะให้มีความหมายสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะให้มีความหมายคือให้สั่งสมบูรณ์กุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปชีวิตของพวกเรากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นปู่ย่าตายาย พวกเราล้มหายตายจากไปก็มากต่อมากพวกเราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายอย่างนั้นเหรอพวกเราก็จะต้องถึงจุดจบอีกเหมือนกันเพรดังนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาค้นคว้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็ค้นคว้าศึกษาท่านไปอยู่ในป่าหลวงพงไผ่ท่านเป็นนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญ น, น่ลูกหลานเน่าพันธัตย์ทายาโ จ, จมนะ ถ้าพวกเราอยากจะรู้ก็นั่งภาวนาอย่างที่ว่านะพอนั่งภาวนาจิตสงบถึงอังคันอัปปนาสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึง่งส่วนนามธรรมคือจิตใจนะั้นเป็นอันหนึง่งแต่อาศัยกันอยู่รูปธรรมและนามธรรมเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของรูปธรรมคือร่างกายเออ ใจดวงนี้ถ้าทําให้ฉลาดก็ฉลาดได้ทําให้โง่ก็โง่ได้โลกที่โลกหาได้คุณเมชีแก้วจังหวะโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาคุกหาตารางก็ได้เป็นคนดีก็ได้เป็นบัณฑิตนักปรัชญาตรีโทเอกหาได้แต่เราหาความทุกข์ใส่ตนเองก็ได้เราจะเข้าคุกเข้าตารางก็หาใส่ตนเองได้เพราะฉนั้นเราจะหาอะไรใส่ตนเองเราควรจะสะแสวงหา คุณงามความดีเพราะเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วควรจะส่แสวงหาคุณงามความดีเข้ามาสู่ตัวของเรา เ, เราตา้องทำแต่คุณงามความดีเพราะว่าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วน่ะจะตามสนองถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนอ ง, องเราเหมือนกัน อ, อากตังลูกตังเสยโยปัจฉะตะปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทาเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้น ย่อมให้ผลหรือเผาผานติดตามเราเมื่อภายหลังเออเหมือนกับเราไปตีหัวเขาเข้าเนี่ยเออเราไม่ได้คิดนะไปตีหัวเขาเข้าทีนี้พอตีไม่ได้วิ่งหนีเลยทีเออกำตัวนั้นก็นตามเลยทีตามก็คือตำรวจไล่เลยทีนีเราไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไล่ตามพ่อยังไงเพราเราไปตีหัวเขาเข้าแล้วอะเพราะฉนั้นขอให้พวกเรากรคำชั่วนะอย่าทำถ้าทำแล้วมันจะติดตามให้ผลเมื่อภายหลัง จากนั้นเขาจับได้ก็เข้าคุกเข้าตารางอลไรพออย่าะนั้นกรรมชั่วให้ผลกรรมชั่วที่เราทำในชาตินี้ก็เหมือนกันถ้าทำสิ่งที่มันไม่ดีไว้แล้วถ้าว่าตายไปแล้วทีนี้วิญญาณของเราก็จะรับกรรมที่มันไม่ดีตามไปอยู่เรื่อยๆเกิดพบหน้าชาติหน้ากรรมก็ไปให้ผลในชาติหน้าอีกอย่างพระโมกคลราเนี่ยท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้น ท่านตายไปแล้วมาเกิดชาตินี้เป็นพระโมกข์ละกรรมเก่าของท่านก็ยังให้ผลน่ะถูกฆ่าตายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อภายหลังตายแล้วไม่สูญนะ่ะในหลักของพุทธศาสนาผมขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะอยากจะรู้จักว่าตายแล้วเกิดตายแล้วจุดให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลย ตัวร่างกายนี่ตายแตกสลายแน่นอนสู่ดินน้ำลงไปไปเผาก็เห็นตะกั่วนั่นแหะแต่ตัวนามธรรมคือใจนั่นไปเป็นผีได้นะไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นพรมได้เป็นลุกขะภูมิะจากนั้นถ้าเราทํากรรมชั่วใจตรงนั้นก็มาเกิดเป็นจัตติรฉานฮะเป็นหมูหมากาไก่เป็นชนีอย่างเนี้ยไปเป็นได้ทั้งนั้นแหละเพื่อเห็ุใดเนี่มาเกิดเป็นชนีที่มันร้องโอ๊ะโอกําลังจะร้องแข็งลงพ่้อยเนี่ย มันเป็นไปได้ใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าตรัสตายแล้วไม่สูญน้ตายแล้ว เ, เกิดอีกเพราะนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วให้ทั้งตนไว้ชอบนะเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก่อนที่จะฉันอาหารถ้าพูดมากกว่า น, นี้ก็เดี๋ยวกูบาทั้งหลายท่านจะหิวอาหารเหมือนกันนะนะอันดับแรกก็คือหลวงพ่อได้กล่าวกฎระเบียบ วันในพรรษานี้พวกเราจะใส่บาตรหน้าวาดัดผู้ที่จะมาทําบุญก็มาทําบุญได้จากนั้นก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการเข้าพรรษามีความจําเป็นอย่างไรวั น, นาสาระฮาปุชชาคือวันนี้นะสำคัญอย่างไรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อุบัติขึ้นในโลกวันนี้จากนั้นก็พวกเราควรทําตนอย่างไรเมื่อพระสงฆ์เข้าพรรษาแล้วคาณาจารยาญาติโยมควรปฏิบัติตนอย่างไร ในพรรษานี้ที่จะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปตัวเองพวกเราเองไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่น่าจะถูกต้องนะพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกคุณงามความดีมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาวัดหลวงพ่อวันนี้รู้สึกว่ามากทีเดียว มากกว่าทุกคือวัาทุกปีมากกว่าทุกปีที่ผ่า น, านมาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้าพรรษากับหลวงพ่อนะตั้งจิตอธิษฐานเข้าพรรษากับหลวงพ่อเอข้าพเจ้าจะงดอะไรสักอย่างหนึ่งต่อหน้าพระประธานของหลวงพ่อคือพระประธานหลวงพ่อเนี่ยชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลนะพระพุทธอุดมมงคลพระพุทธรูปที่เป็นประธานพระประธานทีศาลาหลวงพ่อเนี่ย เมื่อเราอตั้งจิตอธิษฐานเข้าไปเจ้ารักษาสิ่งหเข้าไปเจ้ารักษาศิ่งแปดเข้าไปเจ้าไหว้พระทุกวันเข้าไปเจ้านั่งสมาธิทุกวันในเมื่อออกพรรษาแล้วนะเข้าไปเจ้าไม่ขาดตกบกพร่องนะถ้าไม่ว่าไหว้พระทุกวันเนี่ยเอ๊ะบางทีเราตื่นนอนตื่นสายวันนี้ลืมเราย้อนย้อนหลังอีกก็ได้เนี่ยวันพรุ่งนี้เราทําวัดสองครั้งอะไรก็ได้ถ้าลืมมาลืมสามวันเราทําวัดสามวัน สามครั้งซ้อนกันอีกว่าได้นี่แหละหถ้ามันลืมนะจากนั้นพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วออกพรรษาแล้วเทนีเราค่อยมาขอพรจากพระพุทธพระพุทธร พ, ทธ ร, ะพทธระพุทธอุรมมงคลทนีนะพอมากราบออกพรรษาแล้วเออข้าพเจ้าได้ตั้งสิทธิธอ์อธิษฐานได้ตั้งจิตอธิษฐานประกอบคุณงามความดีด้วยสัจวาจาในวันเข้าพรรษาแต่บัดนี้ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติถูกต้องทุกอย่างแล้วด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงประสาดประสัดพรให้แก่ข้าพเจ้าเข้าพเจ้ามีความทุกข์ใจอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรเข้าพเจ้ามีความทุกข์ใจอย่างไรกิจการงานของเรามีปัญหาอย่างไรขอให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิดเน่เราขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าปุปปับมิจะขอพอรขอพอรไปที่ไหนมิจะขอพอรตัวเองไม่ทำความดีพรจะเกิดได้อย่างไรเนเราต้องทำดีซะก่อนพอรจึงประสาทมา อาต่อ น, นี้ไปเนี่ยชนยีสมชายเนี่ยมชายเนี่ยกำลังจะร้องแข่งลงพอยแอาต่อไปรับพรนะนัตณีนะอุทิศส่วนกุศล น, นะพวกเราทุกทุกท่านนะ